จับเนนศึกครั้งใหญ่คราวนั้นหลวงพ่อสั่งเนนศึกไป30สบองค์จะมิศึกอย่างไรพอตกกลางคืนมามันไปสนามหน้าโรงเรียนให้เด็กไปซื้อก๋วยเตี๋ยวบ้างอะไรบ้างมาให้กินที่หลวงพ่อจะเอาหลวงพ่อก็ถามถามเนนอยู่ในกุฏิ เนนเลิกกินข้าวเย็นหรือยังผมเลิกแล้วครับอ้าวฉันถามว่าแกเลิกกินข้าวเย็นหรือยังแกตอบว่าแกเลิกแล้วก็แสดงว่าแกเคยกินข้าวเยน็นมีใครบ้างเอากระดาษให้จดชื่อเลยได้สาสิบเนนพอวันหลังก็เรียกมาประชุมเลยสั่งคำเดียวพวกเธอลาสิกขาบทได้แล้วทีนี้พวกพระที่เป็นหัวหน้ามันก็พากันโกรธเคือง พอหลวงพ่อย้ายมาที่โคราชกลับไปที่ศรีสะเกดอีกทีเนนไม่เหลือสักองค์ถามอาจารย์มาหาหน่วยอา้าวทำไมเนนไปไหนหมดท่านอาจารย์ข้าจับมันศึกหมดเจ้าคุณนะ่ะทำไม่เด็ดขาดยังเหลือมันไว้อยู่พระในกุฏิหลวงปู่ใหญ่หรือหลวงปูส่สีโดนศึกไปสององค์พอไปกราบมาหาตวนมันจับพระข้าศึกหมด เพราะอะไรล่ะหลวงปู่มันไปขโมยกินข้าวเย็นก็สมควรแ ล, ล้วหลวงปู่อย่าไปเสียใจถ้าไม่มีใครดูแลผมจะมาปรนนิบัติหลวงปู่เองที่โคราชจับเนรน้อยสององค์ศึกแม่ไอ้ น, นี่มันร้ายจริงๆเราดักทั้งหน้าประตูประตูหน้ามันออกประตูหลังครั้งหลังสุดเนี่ยมันทนไม่ไหวกลางคืนมามันเอาสำลีใส่เป็นที่ใส่เป็นที่เอาไฟจุด แล้วก็เป่าให้มันลอยไปมันไปติดกอ่อไฟอยู่ใกล้ๆกับบ้านเขานะ่ไฟมันก็ลุกโหมขึ้นประแตกตื่นไปช่วยกันดับโอ้ยแบบเนี้ยแบบอัปรีแบบนี้เอาไว้ไม่ได้พระเดี๋ยวมันลุกลามไปไหม้ชาวบ้านนะตายเลยเราไอ้สซนอย่างอื่นนะมันก็พอเลี้ยงได้แต่สซนแบบชิบหายเนี่ยมันไม่ไหวแล้ว